บรรพบุพ ร, บรุษข้างคุณแม่ของผมเป็นข้าราชการรถไฟมาสามชั่วคนเริ่มตั้งแต่สมัยทวดทวดเริ่มทํางานรถไฟในสมัยราชการที่หซึ่งขณะนั้นเรียกกันว่ากรมรถไฟหลวงถัดมาถึงคุณตาผมเป็นวิศวกรรถไฟฝ่ายบํารุงทางจนถึงรุ่นของแม่ก็มีนาชายซึ่งเป็นน้องคนรองทํางานรถไฟคุณตาย้ายไปทํางานในจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดก่อนที่จะย้ายมาทํางานที่อําเภอบ้านผม บ้านพักของท่านเป็นบ้านของหลวงใกล้กับสถานีรถไฟของตัวอำเภอสถานีที่นี่เป็นสถานีใหญ่เป็นชุมทางที่รถไฟสายอีสานจากกรุงเทพจะมาแยกไปทางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบ้านคุณตาเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่สร้างแบบเก่ายกพื้นสูงมีระเบียงกว้างอยู่ด้านหน้าถัดจากระเบียงเป็นห้องรับแขกกว้างขวางอยู่ตรงกลางของห้องนอนอีกสองห้อง ทางด้านหลังของห้องรับแขกจะมีทางเดินไปถึงห้องครัวเป็นระเบียงยาวซึ่งเชื่อมระหว่างตัวบ้านใหญ่กับห้องครัวที่เสมือนเรือนหลังเล็กๆอยู่ด้านหลังบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีท่าสีเหลืองแก่ตัดกับสีน้ำตาลเข้มแบบบ้านพักของพวกข้าราชการรถไฟทั่วไป คุณตาบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ทางสายโคราชเพิ่งจะเสร็จด้านหน้าเป็นสนามหญ้ากว้างขวางซึ่งติดกับทางรถไฟสํานัก ง, งานของวิศวกรฝ่ายบํารุงทางเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกับทางรถไฟบริเวณรั้วเดียวกันกับตัวบ้านด้านหน้าแต่ว่าอยู่คนละฝั่งสนามหญ้าส่วนบริเวณที่ติดกับรัว้วหลังบ้านออกไปจะเป็นทุ่งนาบ้านของคุณตาอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเราซึ่งอยู่ในตัวอําเภอ ตอนปิดภาคเรียนเวลาที่ผมกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดพวกเราพี่น้องชอบไปเล่นกันที่บ้านคุณตาเพราะว่านอกจากจะมีสนามหญ้ากว้างกว่าที่บ้านของเราแล้วยังมีอะไรหลายอย่างให้เด็กๆอย่างพวกผมเล่นไม่เบื่อพวกเราหัดถีบจักรยานที่บ้านคุณตานี้เองคุณยายของผมทําขนมอร่อยมากแล้วก็ตามใจพวกเรามากกว่าคุณพ่อกับคุณแม่คุณตาของผมมีงานอดิเรกหลายอย่างตอนเด็กๆ ผมเห็นว่าของเล่นแต่ละอย่างของคุณตาเป็นเรื่องน่าสนุกมากเริ่มตั้งแต่เครื่องไฟฟ้าคุณตาเล่นเครื่องเสียงที่มาจากเมืองนอกสมัยนั้นเครื่องเทปยังเป็นม้วนโตๆแล้วก็ยังมีวิทยุที่ท่านประกอบเองอยู่หลายเครื่องตอนผมอยู่ชั้นประถมศึกษาเริ่มมีสถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทยจําได้ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง4 ตอนนั้นโทรทัศน์ยังเป็นของใหม่ในบ้านของเราราคาก็เลยค่อนข้างสูงในอำเภอของเรามีโทรทัศน์เครื่องแรกที่บ้านคุณตาของผมซึ่งเป็นโทรทัศน์ขาวดำเครื่องใหญ่ต้องติดเสาอากาศสูงลิปบนหลังคาบ้านในระยะแรกนั้นนอกจากภาพจะเป็นขาวดำแล้วยังไม่ค่อยชัดแต่ก็ดูกันสนุกเนื่องจากเป็นของใหม่คุณตาตั้งโทรทัศน์ไว้ในห้องรับแขก ตอนเย็นๆพอเขาเริ่มเปิดสถานีก็จะมีคนที่รู้จักกับคุณตาคุณยายมาดูโทรทัศน์กันหลายคนบางวันคุณยายก็ต้องทำขนมมาเลี้ยงรากับมีงานทำบุญเวลาเขาเปิดสถานีตอนเย็นก็จะมีเพลงขึ้นจากนั้นหน้าจอจะเป็นรูปนางเมฆขลาล่อแก้วแก้วในมือของนางเมฆขลาในจอโทรทัศน์ส่งแสงรัศมีวิ่งออกมาเป็นวง งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งของคุณตาก็คือการถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ล้างอัดรูปเองที่บ้านได้ยินคุณตาเรียกว่าห้องมืดมีหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดสีแดงๆเวลาคุณตาล้างรูปบางครั้งท่านก็อนุญาตให้ผมเข้าไปดูได้ในห้องนั้นมีถาดใหญ่วางอยู่หลายถาดมีฟิล์มที่ล้างเสร็จแขวนอยู่บนราวหลอดไฟฟ้าในห้องนั้นทําให้ทุกอย่างมองดูเป็นสีแดงไปหมดแต่ผมไม่ชอบห้องนั้นเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามีกลิ่นน้ํายาล้างรูป ที่จริงห้องนั้นเป็นห้องทำงานของคุณตาที่ดัดแปลงมาเป็นห้องมืดเวลาท่านจะทำงานก็เพียงแต่เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในห้องนั้นจากหลอดธรรมดาเป็นหลอดไฟสีแดงรูปภาพในสมัยนั้นมีแต่รูปขาวดำเวลาไปเที่ยวที่ไหนคุณตาจะต้องเอากล้องถ่ายรูปไปด้วยกล้องถ่ายรูปของคุณตาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดาเวลาจะถ่ายก็ถือไว้ในระดับหน้าอกแล้วก็เปิดฝามองลงมาด้านบน การที่คุณตาเป็นช่างภาพสมัครเล่นนี้ทำให้พวกเรามีรูปที่ถ่ายไว้ตอนเด็กๆคนละหลายรูปนอกจากรูปถ่ายแล้วคุณตายังถ่ายหนังอีกด้วยซึ่งเป็นหนัง8มมฟิล์มหนังนี้ต้องส่งไปล้างที่ต่างประเทศใช้เวลาหลายสัปดาห์เวลาเขาส่งม้วนหนังกลับมาพวกเราหลานๆตื่นเต้นกันมากเพราะว่าคุณตาจะฉายหนังที่ถ่ายไว้ให้ดูกันงานอดิเรก ข, ของคุณตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นดนตรีไทย คุณตามีวงเครื่องสายอยู่วงหนึ่งเท่าที่ผมจำได้ก็เห็นมีซออู้ซอด้วงขิมส่วนคุณตาของผมท่านก็เล่นออแกนออแกนในวงดนตรีไทยสมัยนั้นเวลาที่จะเล่นก็ต้องเหยียบแผ่นไม้ตรงเท้าดูแล้วคล้ายกับถีบจักรยานพวกลูกน้องคุณตาก็จะนั่งล้อมวงกันส่วนคุณตานั่งเก้าอี้เล่นออแกนวงเครื่องสายของคุณตานี้ทาให้ผมรู้จักเพลงไทยเดิมมาตั้งแต่เด็ก ที่ผมชอบฟังแล้วก็ได้ยินตั้งแต่เล็กได้แก่เพลงตับวิวาพระสมุดซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเพลงในละครร้องสมัยก่อนโดยเฉพาะเพลงบางใบแล้วก็คลื่นกระทบฟังบางครั้งวงเครื่องสายสมัครเล่นขาดคนตีชิงพวกผู้ใหญ่ก็สอนให้ผมตีแล้วก็เข้าร่วมวงกับเขาวงเครื่องสายนี้พอซ้อมเสร็จก็กินข้าวแล้วก็สังสรรค์กัน สมาชิกของวงเครื่องสายวงนี้มีคนหนึ่งที่ผมจำได้แม่นจนบัดนี้ก็คือตับหล่งซึ่งสีส่ออูตับหลังอายุกว่าห้าสิบปีแต่ว่าผมขาวโพลนรูปร่างทุ้วๆอารมณ์ของตับหลังนี่ดีอยู่เสมอใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นกับกางเกงสีกะกีไม่เคยเห็นแต่งตัวอย่างอื่นที่ผมจำแกได้แม่นกว่าคนอื่นก็เพราะว่าเวลาที่มาบ้านคุณตาตัหลังมักจะมีของเล่นมาฝากผม เป็นของเล่นที่แกทำเองบางทีก็เป็นกังหันทำจากทางมะพระ้าวเวลาลมพัดก็จะมีเสียงหวิดวีดบางครั้งก็จะเป็นว่าวตัวเล็กๆที่ทำจากโครงไม้ไผ่ปิดด้วยกระดาษสีสดๆสวยมากแล้วก็ทนกว่าว่าวที่ซื้อจากร้านขายของเล่นในตลาดว่าวที่ซื้อมานั้นตกลงมาทีสองทีก็เสียใช้เล่นต่อไม่ได้ ตาปลังเป็นลูกน้องคนสนิทของคุณตาเวลาที่มาเล่นดนตรีไทยแกก็จะมีแก้วเหล้าวางอยู่ข้างๆเล่นไปสักพักก็ยกขึ้นจิบเมื่อหมดแก้วก็ลุกไปรินใหม่บางวันพอดื่มได้ที่ก็จะถลายอยู่ที่บ้านคุณตาจนมืดคำ่ำคุณตาแล้วก็คุณยายก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากบางครั้งที่ตาปลังก็ชักอ้อแอเบาๆบ้างซะเถอะปลังผมเคยได้ยินคุณตาปรามตาปลังเรื่องดื่มเหล้าไม่ได้กินแล้วเลือดลมมันไม่วิ่ง นิ้วมันไม่ค่อยคล่องครับนายช่างตาเปล่งแก้ตัวยิ้มยิ้มคุณตาของผมนั้นไม่ได้ดื่มเหล้าแต่ก็มีติดบ้านไว้เพื่อเลี้ยงลูกน้องไม่ขาดที่บ้านคุณตามีสมาชิกอีกตัวหนึง่งเป็นสุนัขอันเซเชียนตัวเมียชื่ออีแจนเมื่อผมนึกย้อนกลับไปที่จริงสุนัขของเราคงชื่อแจนเฉยๆแต่เมื่อคุณตาคุณยายเรียกอีแจนทุกคนรวมทั้งผมก็เลยเรียกมันว่าอีแจนตาม ตอนสมัยผมเด็กๆชาวบ้านเขาชอบตั้งชื่อสุนัขที่เป็นพันธุ์ต่างประเทศด้วยชื่อฝรั่งต่างกับสมัยนี้ที่ผมเห็นเขาใช้ตั้งชื่อพวกดารานักร้องวัยรุ่นอีเจนเป็นสุนัขสีน้ำตาลตัวใหญ่แบบออนเซเชียนพันธุ์แท้ดูน่ากลัวแต่ก็ไม่เคยกัดใครนอกจากเวลามีแขกแปลกหน้ามาที่บ้านอีเจนก็จะเห่าอยู่สักพักพอคุณตาจุปากปรามมันก็หยุดแล้วก็หมอบลวงข้างคุณตา ก, กระดิกหางอยู่อย่างรู้ภาษา อีจนไม่ได้กินอาหารกล่องเป็นเม็ดเมดเหมือนสุนัขในสมัยนี้แต่ว่ากินอาหารแบบเดียวกับคนในบ้านเพราะเวลาที่พวกเรากินข้าวเสร็จแล้วอาหารที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของอีแจนคุณตาให้อีแจนวิ่งไปมาบนเรือนได้แต่ว่าไม่ได้ให้เข้าไปในห้องนอนและเวลาที่แขกมาก็ให้อยู่ข้างนอกไม่ให้เข้าไปในห้องรับแขก นอกสีจากเวลาที่พวกวงเครื่องสายมาซ้อมกันอีแจนก็มักวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นหรือไม่ก็นอนกระดิกหางอยู่ข้างวงหลับตาอย่างกับมีความสุขราวกับกําลังซาบซึ้งในดนตรีไทยส่วนตอนกลางคืนอีแจนจะออกไปนอนอยู่ที่มุมระเบียงบ้านทำหน้าที่เฝ้าบ้านนอกจากคุณตากับผมแล้วอีแจนชอบตะปลั่งเป็นพิเศษ เวลามันอยู่นอกกระเบียงเห็นตาปลังถีบรถจักรยานเข้าประตูรั้วมาแต่ไกลมันจะครางหนิงหนิงกระดิกหางไปมาก่อนที่จะวิ่งปราดลงบันไดไปรับตาปลังถึงหน้าบ้านพอตาปลังลงรถมันก็วิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังรอขนมจากตาปลังที่เอามาฝากมันทุกครั้งอีแจนไม่ชอบให้ใครตบหัวแม้แต่คุณตากับผมเวลาเล่นกับอีแจนหากเผลอไปตบหัวเข้ามันจะสะบัดหัวกรางฮื้อื อ, ออกมาอย่างไม่ชอบใจ แต่กับตาปลังอีเจนให้สิท ธ, ธิพิเศษเวลาที่ตาปลังแกได้ดีกรีหน่อยก็มักจะตบหัวรูปหลังอีเจนเล่นไม่เห็นมันว่าอะไรกลับนอนลงเอาหัวไปซุกที่ตักของตาปลังซะอีกส่วนสมาชิกของวงเครื่องสายคนอื่นที่อีเจนไม่ค่อยสูงสิงด้วยเวลาพวกนั้นมาที่บ้านอีเจนจะแสดงอาการคุ้นเคยอย่างมากที่สุดก็เพียงแต่ไม่เห่าเท่านั้นแต่ก็ไม่เคยไปเล่นด้วยเหมือนอย่างตาปลัง พวกคนอื่นๆก็คงไม่อยากจะเล่นกับมันนักเพราะว่าความที่เป็นสุนัขฝรั่งตัวใหญ่มันก็เลยดูน่ากลัวมากกว่าน่ารักค่าวันหนึ่งผมกําลังนั่งดูโทรทัศน์กับคุณตาวันนั้นคุณยายออกไปข้างนอกได้ยินเสียงอีแจนเห่ากันโชคอยู่ที่บันไดเสียงดังลัน่นพ่อผมเดินไปดูก็เห็นตาปลั่งกําลังเดินขึ้นบันไดบ้านผมตะโกนดุอีแจนให้เงียบอีแจนก็ยังคงเห่าอยู่อย่างนั้นจนผมต้องดุซ้ําวันนั้นตาปลั่งคงดื่มมาแล้ว ด้วยท่าทางเดินที่ไม่ค่อยตรงถือถุงกระดาษใส่ขนมที่แกมักติดมือมาฝากอีแจนพอผมเห็นแกเดินเข้ามาโอบไหล่ได้กลิ่นเหล้าคลุ้งแล้วแกก็หันไปทางอีแจนแทนที่จะวิ่งไปหาตะปลั่งอย่างเคยอีแจนกลับเห่าขึ้นอีกพร้อมกับคำรามแยกเขี้ยวอย่างน่ากลัวแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งตะปลั่งร้องเรียกแต่มันก็ไม่มาผมนึกแปลกใจว่าเอ้วันนี้อีแจนเป็นอะไรหรือว่ามันได้กลิ่นเหล้าจากตะปลัง แต่ก็ไม่น่าใช่เพราะบางวันที่ตะปลังมาสีซอแกยังเคยเมามากกว่านี้อีแจนก็ยังมาซบที่ตักแกซะด้วยซ้ำพอดีคุณตาเดินออกมาจากห้องที่กำลังดูโทรทัศน์ผมก็เข้าไปดูโทรทัศน์ของผมต่อเพราะว่ากำลังมีหนังคาวบอยสนุกเลยปล่อยให้ผู้ใหญ่เข้าคุยกันตอนนี้ผมมองไม่เห็นอีแจนแล้วมันคงวิ่งไปอยู่ในครัวทางด้านหลังที่ต่อจากห้องที่ผมกาลังดูโทรทัศน์ สักราวครึ่งชั่วโมงต่อมาคุณตาก็กลับมาในห้องได้ยินเสียงตะแปลงลงบันไดไปซึ่งตอนนั้นผมกําลังดูโทรทัศน์คืนนั้นเมื่อพอหนังโทรทัศน์จบผมก็เข้านอนราวๆสี่ทุ่มห้องนอนของผมอยู่ติดห้องรับแขกส่วนคุณตาเข้าไปลางรูปในห้องมืดในห้องทํางานที่อยู่ถัดไปคุณยายจะกลับมากี่ทุ่มผมก็จําไม่ได้ตอนดึกคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนหลายคนคุยกันในห้องรับแขก ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่บางทีก็มีคนมาหาคุณตาด้วยเรื่องด่วนในตอนดึกๆเช่นเส้นทางรถไฟชารุดบ้างหรือมีรถไฟตกรางบ้างผมตื่นขึ้นมาสักพักหนึ่งก็หลับต่อพอตอนเช้าก็เดินเข้าไปในครัวคุณยายก็กำลังเตรียมกับข้าวคุณยายบอกผมว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปงานศพตาปลั่งที่ถูกรถไฟชนตายผมตกใจก็ตาปลั่งเพิ่งมาที่บ้านเราเมื่อคือนนี้ คุณยายบอกว่าเมื่อคืนตาปลังมาขอลางานกับคุณตาไปเยี่ยมลูกสาวที่กรุงเทพสองสาวันหลังจากมาหาคุณตาแล้วตาปลังไปนั่งกินเหล้าอยู่กับพวกฝ่ายเดินรถที่สโมสรหลังสถานีรถไฟจนดึกราวเที่ยงคืนก็ถีบจักรยานกลับบ้านพอข้ามทางรถไฟตรงใกล้ๆหน้าวัดก็ถูกรถไฟชนตายคุณยายพูดว่าน่าสงสารตาปลังกับเสียดายฝีมือซออู้ที่ไม่มีตัวจับของแกเลย ผมตกใจวูตบตาปลั่งนอตาปลัง่งเห็นกันอยู่เมื่อคืนแท้ๆนึกถึงตอนที่แกมาที่บ้านเมื่อคืนมัวแต่ดูโทรทัศน์จึงไม่ได้บอกไปคุยด้วยเหมือนอย่างเคยใครจะไปนึกละ่ะว่าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นหน้ากันนึกถึงที่แกชอบทําของเล่นแปลกๆมาให้ผมบางทีก็มีขนมอร่อยมาให้ผมเดินออกจากห้องครัวน้ําตาไหลอ ย, อย่างไม่รู้ตัวอีแจนมาจากไหนก็ไม่ทราบวิ่งมาข้างหลังผมพอหันไปมองอีแจน ผมสะดุ้งยงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่อีแจนแสดงอาการแปลกตอนตาปลั่งมาหาคุณตาอีแจนเอาหัวมาถูที่ขาผมราวกับอยากจะเล่นด้วยผมตบหัวมันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ชักมือกลับนึกขึ้นได้ว่ามันไม่ชอบให้ใครตบหัวแต่หน้าแปลกที่คราวนี้อีแจนไม่ได้แสดงอาการกโกรธเหมือนทุกทีกลับมองผมด้วยสายตาขี้เล่นแล้วก็ครางหงียงก่อนจะวิ่งลงบันไดหลังบ้านไป